หลายคนนะผงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังมาแรงเนี่ยคือโปรแกรมอะไรนะไม่ใช่ติ k กต็อกนะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ชื่อ c h a t GPT นกะ็เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะผมก็คนนิยมมากพูดกล่าวขานกันมากมายจนมาถึงวันนี้6เดือนแล้วนี่ก็มีคนเอาไปใช้เนี่ย หลายร้อยล้านคนแล้วเราไปใช้จริงๆนะไม่ได้เอาไว้แค่ดูเล่นเหมือนติ๊กตอกนะเพราะว่าโปรแกรมนี่มันถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะเพราะนี่มันสามารถที่จะตอบคำถามสารพัดนะของผู้คนได้เรียกว่าแทบทุกเรื่องเลยนะใครสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็ถาม แล้วไม่ได้ตอบคำถามอย่างเดียวนะก็าสามารถที่จะทำงานแทนเราได้ในหลายเรื่องเช่นสั่งให้เขียนโปรแกรมหรือว่าสั่งให้เขียนนิยายเรื่องสั้นหรือว่าแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยนักศึกษานักเรียนหลายคนเนี่ย จะทำรายงานนี่ก็ไม่ต้องใช้หัวสมองตัวนะใช้ ChatGPT นี่แหละช่วยจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ของคนหรือว่าของ ChatGPT ซึ่งเป็นเหมือนกับสมองกลนะหรือปัญญาประดิษฐ์เพราะมันทำงานในสารพัดนะความผิดพลาดก็มีเยอะแต่ว่ามันคงจะดีขึ้นเรื่อย แล้วก็มันทำอะไรที่น่าพิศวงหลายอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะก็มีหมอหมอกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะทดสอบว่า ChatGPT เนี่ยสามารถจะให้คำให้คาแนะนำทางการแพทย์แก่คนทั่วไปได้ดีแค่ไหนก็เลย ป้อนคำถามประมาณ200คําคำถามเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์ลงไปในเว็บไซต์หรือว่าในเวทีออนไลน์คำถามสารพัดเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคปอดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสายตาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานแล้วก็ พอส่งคำถามไปแล้วก็ให้หมอเนี่ยตอบคำถามแต่ว่าไม่ใช่หมองเดียวนะเขาให้ ChatGPT ตอบด้วยคำถามที่มันคำตอบที่มันปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าอยู่ในเวทีสาธารณะออนไลน์เนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าเป็นอันไหนเป็นของมนุษย์ ของหมออันไหนเป็นของ h a GP t GPT เพราะว่า h a GP t GPT เดี๋ยวนี้นี่ก็ตอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเมื่อคนพูดคนพิมพ์เลยทีเดียวครานี้ไม่ใช่นะเขาก็ให้คนอ่านเนี่ยรวมทั้งหมอด้วยเนี่ยให้คะแนนคำตอบคำแนะนำว่าระหว่างคำแนะนำของ c h a t GPT กับของหมอนี่ใครแนะนำได้ดีกว่า คนให้คะแนนก็ไม่รู้นะว่าคำแนะนำนี่เป็นของใครเพราะมันมือเหมือนกันหมดแต่ว่าคนคนที่ส่งคาถามไปเนี่ยคนรู้นะว่าคำตอบเนี่ยอันไหนเป็นของคนอันไหนเป็นของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็พบว่าคำแนะนำที่มาจากปัญญาประดิษฐ์หรือ ChatGPT เนี่ยมันดีกว่า มันดีกว่าที่หมอเนี่ยหรือคนแท้ใช้นี่แนะนำอย่างเช่นก็พบว่าเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะสี่สิบหกเอร์ซ็ของคำแนะนำที่มาจากชัดจีบเนี่ยคนใช้คะแนนว่าเข้าเข้าใจเข้าเข้าใจคนที่มีปัญหานี้ขณะที่คำตอบที่ หรือคําแนะนําของหมอเนี่ยมีเพียงแค่ห้าเอร์เซน์ที่คนเนี่ยให้คะแนนว่าเออเป็นคําแนะนําที่เข้าเข้าใจมีความเข้าเข้าใจผู้ป่วยแล้วเขาก็ดูว่าเนี่ยคําถามหรือคําแนะนำอันไหนที่มันไม่ได้เรื่องมั่งหรือรับไม่ได้ก็เพราะว่าคําแนะนําของหมอเนี่ยหนึ่งในสี่นะก็บอกว่ารับไม่ได้ มันห้วนนะมันไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเลยขณะที่ของ ChatGPT เนี่ยมีแค่สมเปอร์เซนะที่เขาบอกว่ารับไม่ได้สรุปก็คือว่านะคำแนะนำของ ChatGPT เนี่ยในแง่คุณภาพนะเฉพาะตัวเนื้อหาเนี่ยมันดีกว่าคำแนะนำของหมอเนี่ยยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ถ้าพิจารณาเฉพาะความเข้าเข้าใจเห็นออกเห็นใจเนี่ยคนแนะนำของแชท GPT เนี่ยนะมันดีกว่าของหมอเนี่ยถึง 40% อ๋นี่เป็นเรื่องที่น่าถึ่งมากนะไอปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยหรือว่าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยท่านใช้คำนี้นะ มันสามารถจะให้คำแนะนำทางสุขภาพทางการแพทย์ได้ดีกว่าคนทั้งในแง่ของเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ความเห็น อ, อกเห็นใจหรือความเข้าออเข้าใจนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปคนเราก็ต้องโดยอว่าคนที่ให้คำแนะนำเช่นหมอเนี่ยนะจะต้องเรียนรู้จาก ChatGPT เรียนรู้จากปัญญาประดิเรียนรู้จากโปรแกรมนะว่าเขามีวิธีการยังไง ในการพูดในการสื่อสารในแง่ความรู้เนี่ยนะ Chat GPT ก็มีมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้าถึงข้อมูลได้มากมายสารพัดแต่ทั้งนี้ก็สุดท้ายแต่ว่าคนจะป้อนในแค่ไหนแต่ที่มันน่าทึ่งคือความเห็นอกเห็นใจแต่วันนี้ก็เป็นเพียงด้านดีนะของ Chat GPT นะด้านที่ ไม่ดีหรือด้านที่น่าห่วงก็มีเยอะเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้ที่ผิดมันก็มีสุดท้าแต่จะป้อนแล้เข้าไปป้อนขยะสิ่งที่ออกมาคือขยะป้อนคำตอบที่ถูกสิ่งที่ออกมาก็คือคข้อความคำแนะนำที่ถูกแต่ตอนนี้ใช้ทีวีมันหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่า น, นั้นเยอะเลยซึ่งท ำ, <c oughs> ทำให้หลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่า ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะมันก็มีทั้งผิดและถูกและเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลอย่างเดียวนะมันสามารถที่จะประดิษฐ์ภาพรูปและเสียงเรียนแบบคนได้เดี๋ยวนี้ก็มีภาพของคนนั้นคนนี้ซึ่งคนที่ไม่รู้กันื่อว่าเป็นภาพจริงแต่ท่จริงมันปัญญาประดิษฐ์มันสร้างขึ้น ถ้า ต, ต่อไปเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ข้อมูลที่เราได้รับจากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจริงหรือเปล่ารวมทั้งคลิปวิดีโอต่อไปถ้ามีคลิปอาตมาเนี่ยบรรยายอยู่เนี่ยอาจจะแยกแยะไม่ถูกนะว่าเป็นคลิปที่อาตมาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคลิปที่ปัญญาประดิษฐ์มันสร้างขึ้นมาทั้งภาพและเสียงข้อความเผลอๆอาจจะคล้ายคลึงกันหรือว่าไปคนละทิศคนละทางก็ได้ คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีวิจารณญาณ น, นะมันก็หลงเชื่อง่ายหลงเชื่อสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์มันป้อนให้เราแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญญาประดิษฐ์มันก็มีแนวโน้มที่มันจะสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างรูทั้งเจาะข้อมูลเจาะข้อมูลเข้าไปในบัญชีเงินของเราหลอกเอาเงินเราไป เจาะข้อมูลเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกแต่นั่นก็นไม่เสียหายากับการเจาะข้อมูลเพื่อบงการระบบระบบไฟฟ้าระบบพลังงานระบบขนส่งเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หรือทําด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังอย่างสูงไม่ให้ใครแบบอบเจาะข้อมูลเข้าไปแต่ต่อไป แชท GPT หรือปัญญาประดิษฐ์นะมันก็คงจะทำได้แล้วก็เลยผลก็เลยมีความเป็นห่วงนะว่าต่อไปโลกมันจะวุ่นวายเมื่อหากว่าคนที่ประสงค์ร้ายเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในทางที่ผิดตอนนี้ก็เลยมีนักคิดผู้นำนักธุรกิจจำนวนมากรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ด้วยทำจดหมายเรียกร้องให้ ระงับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สักระยะหนึ่งเพื่อจะได้พัฒนาระเบียบกฎเกณฑ์กติกาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งกฎหมายด้วยเพื่อควบคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในทิศในทางที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความเห็นนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะหยุดยัง้งหรือระงับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพราะเขาคิดว่า ถ้าเขาไปถึงก่อนทำได้ก่อนก็จะได้เปรียบกว่าอันนี้ก็ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีการถูกใช้ไปในทางที่อาจจะน่าวิตกน่ากลัวเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้มันสามารถจะให้ข้อมูลหรือป้อนข้อมูลที่ผิดๆได้ทาให้เกิดความเข้าใจผิด นั้นสิ่งที่เราทำได้คือต้องมีสตินะต้องมีวิจารณญาณมากขึ้นอย่าไปหลงเชื่อสิ่งที่ข้อความปรากฏออกมานี่เราไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนที่ทำหรือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์มันทาเดี๋ยวนี้ถึงกับมีการเสนอว่าบทความหรือข้อเขียนใดๆก็ตามรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสาร ใ, ใดๆที่ผลิตโดยปัญญาประดิษฐ์จะต้องมีการระบุว่าผลิตโดยปัญญาประดิษฐ์ให้คนรู้นะจะได้แยกแยะได้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้จะมีคนปฏิบัติหรือยอมรับแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยนะยิ่งอะไรที่มันพัฒนาเร็วเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยยงต้องมีสติมากขึ้น สติในที่นี้รวมไปถึงการที่ไม่เพียงแต่มีวิจารณญาณ น, นะแต่รวมถึงการไม่หุนหันพันลั่นไม่หุนหันพันลั่นเชื่อนั่นเชื่อนี้ง่ายๆนะฟังหวย ห, หวยก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะเป็นข้อมูลเท็จหรือเฟกหรือว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ตองมากขึ้นมันน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาชื่อพวกคอร์เซ็นเตอร์นะพวกคอร์เซ็นเตอร์นี่หลอกเงิน เ, เอาไปเรายัางพอรู้นะว่าถูกหลอก แต่ว่าถ้าหาปัญญาประจิตมันหลอกเรานี่บางทีเราไม่รู้เลยเพราะมันเนียนมากแล้วคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกถูกป้อนข้อมูลผิดผิดไปนี่มันน่ากลัวนะกว่าการรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแล้วก็ระมัดระวังตัวมากขึ้น